หน้าหนาวก็ต้องหนาวหน้าร้อนก็ต้องร้อนความไม่พอดีทำให้เราทุกข์ร้อนมากเกินไปก็ทุกข์หนาวเย็นมากเกินไปก็ทุกข์ คำว่าเกินไปเกินไปก็คือมันไม่พอดีนั่นแหละทุกทุกคือไม่ชอบใจไม่สบายกายเพราะร้อนมากพราะหนาวมากมาทุกข์ใจใจนี่คอยรับจะทุกข์ไม่ถูกใจก็ทุกข์ ถูกใจแต่ไม่ได้สมใจก็ทุกข์สิ่งที่ถูกใจแต่ไม่ได้มาอย่างสมใจก็ทุกข์ทุกมีแต่ทุกข์ต้องการไม่ให้แก่มันก็แก่ก็ทุกข์ต้องการไม่ให้เจ็บร่างกายเจ็บก็ทุกข์ต้องการไม่ให้มันตายร่างกายยเวลามันตายก็ทุกข์ ตัวเราตายก็ทุกทุกจนตายญาติเราตายก็ทุกเพื่อนเราตายก็ทุกครูบาอาจารย์เราตายวารนาภาพก็ทุกโลกนี้โลกของกองทุกมีความสุขประเดียวประดาวสุขเขเวทนา มันก็เป็นความทุกข์พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเรียนรู้เรื่องเหล่านี้แหละด้วยเหตุที่เราไม่เรียนเราไม่รู้นี่แหละเราจึงทุกข์ทำไมเราจึงทุกข์เพราะเราไม่เรียนเราไม่รู้จึงทุกข์ เรียนแล้วร like ู้ว่ามันเป็นอยู่อย่างนี้ของมันเราก็ไม่ทุกข์เช่นอย่างมันต้องแก่มันจะต้องเจ็บและมันจะต้องตายเรียนรู้ให้รู้เท่าทันมันว่ามันจะต้องแก่ถึงคราวแก่มันก็จะต้องแก่ถึงถึงคราวเจ็บมันก็จะต้องเจ็บถึงคราวตายมันทนอยู่ไม่ได้มันก็ต้องตายรู้ไปตามที่มันเป็น ทำปัญญารู้รู้ตามเท่าที่มันเป็นรู้เท่ารู้ทันที่มันเป็นเราก็ไม่ทุกข์ก็เมัอนแต่เราไม่รู้เท่าเราไม่รู้ทันมันเป็นแล้วมันยึดสุขมันก็ยึดทุกข์มันก็ยึดรูดด้เหตุที่มันยึดนั่นแหละทุกข์ ถุกไดมาก็เดียวก็ đ ชินชาเบื่อนายแสวงหาใหม่แสวงหาใหม่อิมพอเบื่อนายชินชาแสวงหาใหม่อิมพอเบื่อนาย ชินชาแสวงหาใหม่นี่คือการไม่รู้เท่าไม่รู้ทันมันถ้าเรารู้ทันมันเราก็รู้แต่เฉพาะอาการไดมากรู้ว่าไดมาใช้สอยโย่ก็รู้ว่าใช้สอยเสื่อมไปสิ้นไปก็รู้ว่าเสื่อมไปสิ้นไป ลอยได้มาเขรู้ว่าได้มาก็ปล่อยเปลี่ยนแปลงไปรู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปก็ปล่อยสูญหายไปถึงคราวสลายล่มจมไปก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยปล่อยรู้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นรู้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นเราก็ปล่อยไม่ยึด ยึดแล้วก็ไม่ได้อะไรยึดแล้วก็มีแต่ทุกยึดแล้วก็มีแต่ทุกคําว่ายึดก็คือเกณฑ์มันเป็นไปตามใจหวังของตัวเองเกณฑ์ถ้าไม่ปไปตามใจหวังของตัวเองไม่ได้ก็ทุกทุกเพราะผิดหวังเพราะเกณฑ์คำว่าเกณ์ก็คือไปบังคับบังคับให้เป็นไปตามใจของตัวเองอะบังคับอะไรได้บ้างในโลกนี้บังคับอะไรไม่ได้เด้อ ร่างกายของเราบังคับได้ไหมสิ่งที่อยู่รอบข้างตัวเราบังคับอะไรได้บ้างกดสวิตช์ไฟชักบังคับให้ไฟมันสว่างยังงั้นเลยเหตุปัจจัยมันมีมันก็สว่างได้ลองไอ้พลังงานที่เก็บไว้ในหม้อมันหมดอะบังคับให้มันสว่างได้ไหม บังคับให้สว่างไม่ได้เพราะมันหมดปัจจัยของมันมันบังคับไม่ได้มืดอย่างนี้เราบังคับให้ดวงอาทิตย์สว่างได้ไหมมันสว่างไม่ได้เพราะมันรับฟ้าไปแล้วก็สว่างไม่ได้เวลามันโผล่ขึ้นมาด้านตะวันออกบังคับให้มันมืดได้ไหมมันก็บังคับไม่ได้มันเป็นปัจจัยของมัน มันมีเหตุมันมีปัจจัยของมันที่สําคัญที่สุดที่จะนําสุขนําทุกข์มาให้เราก็คือกายนี่แหละกับใจนี่แหละทุกรวมรวมที่เป็นยอดของมันก็คือทุกกับกายนี่ทุกกับใจนี่ปัญจุ ป, ปาทานะขันธาทุกขาทุกรวบยอดทุกรวมยอ ด, ยอดคือปัญจขันนี่แหละ รู้สึกตัวรู้สึกที่ใจรู้สึกที่กายรู้สึกที่กายหนาวร้อนเย็นร้อนอ่อนแข็งนั่นแหละรู้สึกที่ใจก็รู้สึกว่ามันเย็นรู้สึกว่ามันร้อนรู้สึกว่ามันอ่อนมันแข็งนั่นแหละ แต่กิเลสข้างในมันพารู้แล้วก็ยึดรู้แล้วก็ยึดรู้แล้วก็ยึดดีใจก็ยึดเสียใจก็ยึดเฉยๆก็ยึดเพราะเราไม่รู้ทันมันรู้ไม่ทันมันรู้ทันมันเป็นไงรู้ทันมันร้อนก็รู้ว่าร้อนโอ้มันร้อนมหามันมีเหตุปัจจัยของมันมันทำให้ร้อน หนาวโอ้มันอมันมีเหตุปัจจัยของมันมันทึงทำให้หนาวหิวโอ้มันมีเหตุมีปัจจัยของมันมันทําให้หิวกระหายโอ้มันมีเหตุมีปัจจัยของมันมันทําให้กระหายเจ็บใข้ได้ป่วยอ้อมันมีเหตุมีปัจจัยของมันมันทําให้เจ็บมันทําให้ใข่มันทำให้ป่วยจำระสุดซ้อมร่างกาย ต้องบอบช้ารู้เป่าโอ้เหตุปัจจัยมันชํมรุดสุดโสมันบอบช้าอยู่ไม่ได้แกเหตุปัจจัยมันมันหมดไปมันเสื่อมไปมันสิ้นไปมันทั้งเสื่อมไปมันทั้งสิ้นไปตายโอ้มันหมดเหตุหมดปัจจัยเข้ามาแล้วมันอยู่ไม่ได้หายใจลมหายใจก็อยู่ไม่ได้เพราะระบบระบอบระเบียบมันเสียหมดอยู่ไม่ได้ ระบบดินก็เสียไประบบน้าก็เสียไประบบลมก็เสียไปไม่หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยของมันทั้งนั้น เ, เราศึกษาเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยข้าใจเพื่อจะไม่ทำให้ใจของเราเนี่ยได้รับความทุกข์ดูได้ไหมดูให้เห็นกายดูกายรู้ไหมว่าเรารู้ว่ามันกายมันมีกาย ดูมาที่มือมือดูมาที่ตีนดูมาที่มือดูมาที่ลาตัวดูมาที่หัวดูมาที่ผมที่ขนที่เล็บที่ฟันที่หนังเราดูสิ่งนี้เป็นกายผู้รู้ว่ามีกายมีอยู่ไหมผู้รู้รู้ว่ามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังเนี่ยรู้ไหมมีไหม มีก็คือจิตคือผู้รู้นี่เองดูมารู้ว่ามีกายกายเราหรือเปล่าหรือกายใครกายเรากายเรากายเราสําคัญมั่นหมายว่ากายเรากายเรากายเรา ลองย้อนทวนทบทวนดูปไปให้ดีกายเราจริงหรือเปล่ามี่ผู้ที่จะทนสอนให้พิจารณาอย่างนี้เื่อมันเทาทุกข์เพื่อรู้เท่าทันเพื่อทำลายความทุกข์ด้วยเหตุที่เราไม่รู้ไม่ทันไม่เข้าใจนั่นแหละเราก็ยึดรู้ก็ยึดไม่รู้ก็ยึดสงสัยก็ยึดชอบใจก็ว่ามันดีก็ยึด ไม่ชอบใจก็ว่มามันไม่ดีก็ยึดยึดทั้งหมดไม่ใช่ไม่ไม่ชอบใจก็ไม่ยึดนะด้วยเหตุที่ไม่ชอบใจนั่นแหละอืด้วยเหตุที่ไม่ชอบใจนั่นแหละนั่นะคือความยึดละ่ะยึดจนเห็นเป็นเหตุให้ไม่ชอบใจเห็นไหมยึดจนเป็นเหตุให้ชอบใจยึดเป็นเหตุจนเป็นเหตุให้ไม่ชอบใจ เหตุของมันก็คือความยึดนั่นแหละมันยึดไม่ปล่อยยึดให้ดีใจยึดให้เสียใจตัวที่พา ย, ยุดก็คือตัณหานั่นแหละคำอยากอยากยึดอยากดิ้นรนอยากทะเยอทะยานอยากสร้างออกมามารู้มาเห็นมาได้ยินมาได้ฟังมาสัมผัส อาหจูจมุกลิ้นกายใจมาสัมผัสรสปริวานมันเคม็มมาสัมผัสอากาศเย็นร้อนมาสัมผัสความแข็งกระด้างความอ่อนความนิ่มมีรูปมีนามทำให้เกิดสัมผัสอิยตนาภายนอก อายตนะภายในไปสัมผัสอายตนะภายนอกคำว่าสัมผัสก็คือกระทบเราจะว่ากระทบก็ใช่เราจะว่าสัมผัสก็ใช่เราจะว่าเห็นก็ใช่เราจะว่ารู้แจ้งทางตาก็ใช่นี่คือรูปกับนา ม, มันไปกระทบกันเราจะว่าสัมผัสก็ใช่ อายตนะสัมผัสอายตนะตาอายตนะภายในรูปอายตนะภายนอกไปสัมผัสกันคือตามันออกไปรู้รูปการที่มันไปรุ่นแหละมันเป็นการสัมผัสสัมผัสกับผัสสะเหมือนกันเดียวกันผัสสะก็คือสัมผัสสัมผัสกับผัสสะรู้ว่าสัมผัสก็คือใจผู้รู้รู้ว่าสัมผัส พอรู้แล้วมันก็ชอบใจไม่ชอบใจชอบใจก็เป็นสุ ข, ขเวทนาไม่ชอบใจก็เป็นทุกขเวทนาชอบใจก็เป็นสุขชอบไม่ชอบใจก็เป็นทุกขเฉยเฉยก็เป็นอบิขาเวรทานานความรู้สึกมันมีอยู่อันนี้เป็นเวทนาเป็นเวทนาขันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการที่จิตไปสัมผัสไปเสวยรส สวยรสชาติสวยอารมณ์เรียมวอาพิทนนะฉะนั้นก็สิ่งที่พายุดก็ตามมาสุขมันกพายุดทุกข์มันก็พายุดความยึดนั่นแหละท่านเรียกว่าอุปาทานอุปาทานอุปาทานคือความยึดยึดยังไงก็เกาะอย่างงั้นเกาะยังไงก็ยึดอย่างงั้นคลองใจยังไงก็ยึดอยังงั้นดีใจก็ยึดอเสียใจก็ยึดยินดีก็ยึดยินร้ายก็ยึด ยินดียินร้ายท่้งกัทกว่าพอใจไม่พอใจท่างกับว่าแท้ที่จริงมันก็อันเดียวกันยินดียินร้ายพอใจก็คือยินดีไม่พอใจก็คือยินร้ายทำไมจึงไม่เสมอไม่เห็นไม่ทาไมไม่สักตะว่าเห็นสักตะวัเนเห็นไม่ได้เพราะความอยากมันมีอยู่ ในขณะที่มันไปสัมพั์อ่ะตัวความอยากนั้นมันออกไปออกไม่ออกไปทำงานก็มันความอยากตัณหาคือความอยากรู้ความอยากของใจของเราดูน้องปลาทางตาไปเห็นเห็นเพื่อเพื่อที่จะเสพให้สมอยากเห็นเพื่อที่จะเสพให้สมอยาก คือมันทียวทยานมันสร้างออกมันดิ้นออกมันหิวหิวนนั้นแหละหิวอารมณ์นั่นแหละมันได้นอกไปทางตาไปดูรูปเพื่อที่จะเสพสิ่งที่เห็นว่าชอบใจที่สุดถูกใจที่สุดดูกิริยาของความอยากไปลาแสดงออกรวยดีนอกไปทางตาชอบใจไม่ชอบใจ มันยุ่ให้ชอบใจมันยุ่ให้ไม่ชอบใจเราด้วยเอาวิชามันปิดบังปัญญาปัญญาไม่เกิดจิตคือผู้รู้ของเราก็ถูกมันลากไปอันาจกิเลสในหัวใจมันลากไปมันชักไปมันลากไปมันดึงไปให้ชอบให้ยินดีให้เพลินใจไปตามมันนี่เป็นธรรมที่มีอยู่ข้งใน อยู่ในกายของเรานี่แหละอยู่ในใจของเรานี่แหละจะไปศึกษานอกกาย่ยาไปศึกษานอกใจจอมาที่ใจของเราเราจะเห็นงานเหล่านี้ทั้งหมดเราจะเห็นกิริยาการเหล่านี้ทั้งหมดนี่เป็นหลักธรรมหลักธรรมหลักธรรมชาติของมนุษย์ของสัตว์ตาหจูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงเกียรถิรสประทัภาพธรมมารมศึกษาเรื่องจริงศึกษาของจริงเหล่านี้ ศึกษาเพื่อให้รู้เห็นความอยากที่มันแทรกเข้ามากับตากับหูกับจมกูกกับลิ้นกับกายกับใจเกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะนนราคะก็เป็นไฟโทสะก็เป็นไฟโมหะก็เป็นไย ไ, ไฟคือราคะนี่แหละมันรอ้อนไฟคือโทสะนี่แหละมันรอ้อนไฟคือโมหะเหมือนอย่งางที่พแสดงไว้ในอาทิตต์ตักปริยายาสูลมนรอ้อนไม่ใช่ กกรูปก็ตามันร้อนนะไม่ใช่รูปที่ลู ก, กตาไปเห็นมันร้อนแต่ราคะความยินดีในใจนั่นมันพายใจร้อนร้อนเพราะไฟคือราคะร้อนเพราะไฟคือโทรศั์ราคะยินดีพอใจต้องการมีอะไรมาขัดมาค้องมาคาเครียดขัดข้อง จริงจริงว่าโทสะโทสะขัดของขัดของในหัวใจเหมือนกระแสใจมันกําลังไหลไปล่ะมีอะไรมาขัดกึ๊กนี่เราขัดใจปฏิฆะขัดขัดใจราคะโทสะโมหะรเหตุที่มันราคะก็เพราะว่ามันโมหะนั่นแหละเหตุที่มันโทสะก็เพราะมันโมหะนั่นคือไม่รู้ไม่รู้เหตุไม่รู้ปัจจัยของมัน ไม่รู้เหตุไม่รู้ปัจจัยของมันรู้เหตุรู้ปัจจัยของมันรู้แต่ไม่ได้รู้ด้วยข้อเท็จจริงตามหลักที่เราภาวนารู้อยู่ว่าเป็นรูปนะชอบรูปซะรู้อยู่ว่าเป็นเสียงอา้าวชอบเสียงซะไม่ได้รู้เหตุปัจจัยที่มันผ่ายชอบไม่รู้เหตุปัจจัยที่มันผ่ายชอบไม่รู้ตั้นหานั่นแหละเราไม่เคยย้อนไปดูมันตั้นหานี่หัวใจ อยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้สิ่งอยากได้ของอยากได้สัมผัสอยากดูอยากสัมผัสอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากความอยากนี่เป็นรสชาติของตัณหาที่อยู่ในใจเราไม่เคยย้อนมาไม่ย้อนมามันก็เลยโมหะมุครอบโมหะมครอบก็คือปัญญาเกิดไม่ได้ ก็เลยหลงก็เร็วหลงหลงหลงรักหลงชังหลงโลภหลงโกรธมันโลภเพราะมันหลงคําว่าหลงก็คือมืดไม่มีปัญญาสอดสอดส่องให้หลงโลบมีอะไรมาขัดมาข้องมาข้ามไม่เห็นเหตุเห็นปัจจัยหลงโกรธเพราะหลงน่ะมันถึงโลภเพราะหลงมันถึงโกรธ เพาะหลงนะ่ะราคะตันหามจึงแสดงได้ความหลงเหมือนกับความมืดราคะตันหาเหมือนอสรพิษที่แฝงมากับความมืดหัวใจของเรามืดทีไรเมื่อไหร่สิ่งเหล่านี้มันก็โผล่มามืดที ไ, ดไหรเมื่อไรสิ่งเหล่านี้มันก็โผล่ขึ้นมาคําว่ามืดก็คือไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาในหัวใจ ไม่มีปัญญาในดวงใจไม่มีความรู้ความรู้ไม่เด่นความรู้ไม่มีกําลังไม่มีพลังไม่เด่นไม่ชัดด้วยความไม่รู้ไม่เห็นนั่นแหละเหมือนกับความมืดบังปัญญาในหัวใจไม่เห็นไม่รู้ตัวไม่รู้สึกตัวไม่ตื่นเนื้อตื่นตัวไม่รู้ว่ามันผิดเรื่องไม่รู้ว่ามันถูกมีแต่ชอบกับชอบ ชอบรักชอบชังภาวะเหล่านี้คนไม่ชอบสัตว์ไม่ชอบแต่ความความหลงในหัวใจของเราเนี่ยมันไม่เคยประณีประสยถ้าเราไม่ไม่ย้อนมาศึกษามาพิจารณามัน อยู่ ใ, ใต้อำนาจของมันตกเป็นทาตุของมันยินดีรับใช้มันพอเวลาประกอบเข้าไปแล้วก็เหมือนกับตกหลุมพรางของมันตกหลุมพรางของมันตกลุมพรางเพราะเราไม่มีปรรัญญาไม่มีตาไม่มีแสงสว่างไม่มีปัญญาจักษุไม่มีข้อปฏิบัติไม่มีการตั้งสติ ไม่มีการโยนิโสมรจิการพิจารณาเกิดความแยกขายไม่มีการสอดส่องไม่มีการปลูกร้าวจิตคือผู้รู้ของตัวเองให้ตื่นไม่อยู่กับงานที่พุทธเจ้าสอนให้ทาสมถะวิปัสสนามาอยู่เมื่อมาอยู่กับงานของสมถะงานของวิปัสสนา ก็มีแต่เรื่องอนุโลมพ่พันไปตามมันวันคืนยืนเดินนั่งนอนอนุโลมให้มันตลอดอนุโลมเท่าไหร่ก็เป็นวิบากเท่านั้นอนุอนุโลมเท่าไหร่ก็เป็นวิบากเท่านั้นคำว่าวิบากก็คือผลเพิ่มผลความง้อนะมันเพิ่มแต่ที่จะมีผลความฉลาดนะผลความงอม้อเพิ่ม หลงบวกหลงหลงบวกหลงหลงบวกหลงมื sa, bok, ่บวกมื sa, bok, ่ม sa, oh, ื่นบวกมื่นมื่นบวกมื่นราคาบวกราคาราคาบวกราคาโทรศัพบวกโทระโทระบวกโทรศัโทระบวกโทระบวกหลงโลกบวกหลงโกรธหลงบวกหลงหลงบวกหลงหลงบวกหลงท่านจิงให้ตั้งสติตั้งสัมปชัญญะขึ้นมาเพราะตัวนี้เป็นตัวปลุกให้จิตตื่น สติเป็นตัวปลุกให้จิตตื่นเมื่อเรานั่งภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธนี่แหละแต่ละขณะแต่ละขณะเป็นการปลุกจิตให้จิตตื่นถ้าเราไม่ปลุกจิตมันไม่ตื่นจิตไม่ไม่ตื่นก็คือจิตมันหลับจิตมันหลับจิตมันหลงนั่นแหละคือจิตมันหลับจิตไม่ตื่นจิตไม่รอบรู้จิตหลับเหมือนกับเรานอนหลับไม่รู้อะไร แล้วเวลามีความฝันแล้วแต่มันจะพักนึกคิดล่องลอยเรื่อยไปไม่มีเจตนาอะไรไม่มีเจตนาที่จะต่อต้านกระแสของตัณหาที่อยู่ในหัวใจของเราถ้าจะทำยังไงอยู่กับงานพุทโธพุทโธยกจิตประคองจิตปลกกุกจิต เอาสติปลุกเอาสมาธฉันย่าปลุกอุโทโธอุโทโธอุโทอโธความสงบมีพลังมีพลังสังสมสะสมสังสมเพิ่มเพิ่มพูนเพิ่มเติมจนจิตได้รับความสงบแนบแน่แนตั้งมากับคิง น, นิ่งไม่เพลินไปกับความหลงที่มันเสกให้อนะ่ะ ไม่เพลินไปกับมันแหละรู้ทันมันไม่เพลินไปกับมันสงบเริ่มจะพิจารณาย้อนหาเหตุหาปัจจัยมันอย่างพอจะเห็นได้ไม่งั้นเราหาไม่เจอหาไม่เจอก็กลายเป็นก้อนกลายเป็นแท่งกลายเป็นอัตตากลายเป็นตัวตนทิทิมาน้าก็ตามมาเมื่อทิทิมาน้าตา ม, มาเครื่องไม้เครื่องมือสลับจะต่อก่อน เวลามีคนมาขัดมาข้องมาขานเครื่องไม้เครื่องมือมันเกิดขึ้นแหละเพราะว่ามาแล้วเขาก็มีเราก็มีทะเลาะกันมันมาตรงนี้เองเรียนเท่าไหร่ศึกษาเท่าไหร่ก็ไม่จบเพราะไม่ตั้งใจเรียนไม่ตั้งใจศึกษาไม่ตั้งใจรู้มันเป็นทาสของมันตลอด อย่านหละพุโธพุโธยืนกับพุโธเดินกับพุโธนั่งกับพุโธดูลมกับกับพุทข้าโวพุโธพุโธพุโธพุโธนึกอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ับพุทโธพุทโธพุทโธอยู่กับสิ่งเดียวอยู่กับสิ่งเดียวนี่หละผู้รู้อยู่กับสิ่งเดียวนี่แหละเป็นสองกับผู้รู้พุโธพุโธพุทโธพุโธม่ใช่พุโธแต่ป่าไม่ใช่ สติสัมปชัญญะเป็นผู้ดำริจิตเป็นผู้ดําริพุโทโธเป็นผู้ดําริดาริไปดําริไปมันอิ่มเป็นเหมือนกันนะอิ่มเราไม่ดํารินี่เหมือนเหมือนกับเราไม่ได้ป้อนอาหารให้กับมันมันหิวตลอดหิวอารมณ์เหมือนกับราหิวข้าวนั่นแหละเราเราดําริตลอดเหมือนกับป้อนอาหารให้กับมันป้อนไปป้อนไปมันก็เริ่มอิ่ม เริ่มอิ่มเริ่มอิ่มเริ่มอิ่มถึงเราไม่ป้อนมันก็ไม่มันก็ไม่หิวมันก็ไม่ไปมันอยู่คิด น, นังจิตมีมีความสงบจิตมีความสงบจิตมีพลังจิตมีอาหารดูดเึงจิตตรงนั้นจะเริ่มใสจะเริ่มมีความสวาม่าง ผ่องใสจิตดวงนั้นจะเริ่มงผ่องใสทั้งผ่องทั้งใสทั้งผ่องทั้งใสทั้งโร่ทั้งสว่างามาพิจารณามาแยกแยะทางด้านปัญญามันก็พอจะเห็นเหตุเห็นปัจจัยเหตุปัจจัยนี่แหละที่เป็นรกเป็นรากให้เกิดนู่นให้เกิดนีใดใดใด่ให้เป็นนู่นให้เป็นปนี้ เหตุปัจจัยของรูปเหตุปัจจัยของน้ำเหตุปัจจัยของของกายเหตุปัจจัยของใจเมื่อเราหลงเราก็ไม่เห็นเหตุไม่เห็นปัจจัยไม่รู้ว่าเป็นเหตุไม่รู้ว่าเป็นปัจจัยมีแต่เกณฑ์เอาเกณฑเอาจิตมันเกณฑเอาเกณฑ์ไปตามที่มันภานึกพาคิดภาคาดภาเดาแล้วก็ยึดเอานึกนึกคิดคิดคาดคาดเดาเดาแล้วก็ยึดเอายึดเอายึดยังไงมันก็เป็นยังไงงานเพราะใจมันภายึด ยึดไยึมากับลุกอํานาจให้กับมันสนองนโยบายของมันแล้วพรามันสร้างนโยบายขึ้นมาเลยสนองนโยบายให้กับมันมันก็ทบมข์เลยมีอยปาทานมีอยู่ปาทานแล้วก็พบเขาต้องมีนึกว่าเรามีอยอมปาทานพบมันก็มี ยึดอะไรมันก็เป็นนั่นนั้นยึดอะไรมันก็เป็นนั่นนั้นตัวยึดนั่นแหละเป็นตัวพบตัวพบนั่นแหละคือการยึดหามันเป็นกิริยาการที่พูดเป็นท่อนเป็นท่อนมันก็เหมือนกับกลายเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเป็นเหตุส่งเป็นระลอกระลอกระลอกระลอกเป็นเหตุเป็นปัจจัยพบคือสถานะของจิตมันเปลี่ยนจากตรงนี้ไปเป็นตรงนั้นเปลี่ยนจากตรงนั้นไปเป็นเท่านั้น คือมันโผล่ตรงนี้ไปโผล่ตรงนั้นจากปปรตรงนั้นไปโผล่ตรงนั้นจากตรงนั้นไปโผล่ตรงนั้นด้วยกิริยาที่มันโผล่นี่แหละที่เขาเรียกว่ามีพบมีพบมีพบที่ไหนเราก็จะต้องไปเกิดที่นั่นจิตมันมั่นหมายยังไงเราก็จะต้องไปเกิดที่นั่นสมมุติอย่างจิตของเรามันตกค้างอยู่กับอารมณ์อะไรมันก็ไปพันพันอยู่กับอารมณ์นั่นหละนั่นแหละคือการไปเกิด มีที่เกิดไม่ทราบเหตุทราบปัจจัยมันมีที่เกิดมีที่เกิดแล้วมันก็จะต้องไปเกิดที่เรียกว่าชาติชรามรณะความเปลี่ยนแปลงความไม่คงทนความไม่คงที่มันก็เปลี่ยนไปตามนั้นปลายสายแท้ๆคือโศกปริเทวทุกขะโทมนัสสัพยญาติต้องทุกข์ต้องทรมานต้องคร่ำครวญเศร้าโศกวิโย เกล็ดแห้งเหียวเลียในหัวใจนี่คือความทุกข์เป็นกิริยาที่มนุษย์สัตว์ไม่ชอบแต่ไม่ฉลาดไม่ฉลาดพอที่จะหักห้ามมันได้ไม่มีกำลังพอไม่มีพลังพอวิธีเดียวเท่านั้นแหละที่จะทำให้เราพอจะรู้จักภาวนา คุณยะอย่างอื่นก็ประกอบเข้าไปเสียสละให้ทานรักษาศีลตั้งใจปฏิบัติเข้าไปรู้สึกว่ามันใกลเลอเกินพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยแนบอยู่กับตัวตลอดโอ้ยอบอุ่นอบอุ่นอบอุ่นทั้งกายอบอุ่นทั้งใจอบอุ่นยิ่งกว่าอะไรอ่ะ ภาสั ก, กลาดพื้นนั้นหนายำหนาวเงี้ยอบอุ่นยิ่งกว่านั่นอีกเอาละพอสมควรและเอาเดี๋ยวคอใหสใส <c oughs> เอากราบได้เลิกได้